ปลาสาธารณาสุขเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลตรังพบประชากรตรังอยู่ดีกินดีเมืองหมูย่างเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนที่จะกล่าวถึงปัญหา ง, งบประมาณสปสชถึงความมั่นใจว่าแม้งบประมาณบานปลาย ก็ต้องสรรหางบให้เพียงพอกับผู้มาใช้บริการพบโรงพยาบาลทั้งประเทศวิกฤตงบกว่าหนึ่งแห่งและตรังพบมากสุดของภาคใต้เมื่อวันที่11อธันวาคม2557ห้าที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดห้อง ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลศุนตรังพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ปริสุธโธเหีมทานนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายแพทย์วิทูลเหลืองดิลกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังนายแพทย์ชัยยุทธศักษอนรชยัยผู้อํานวยการโรงพยาบาลศุนตรังร่วมพิธี พร้อมด้วยขาราชาการสั่งกับกระทรวงสาธารณสุขผู้แทมภาคเอกชนร่วมพิธีเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลศูนย์ตรังในครั้งนี้ประมาณ200คนจากนั้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยถึงการจัดตั้งศูนย์หัวใจที่จังหวัดตรังว่าปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการบริหารงานสาธารณาสุขออกเป็นส2บสองเขตในแต่ละเขตจะต้องมีขีดความสามารถเท่าเทียมกันซึ่งในส่วนของภาคใต้ตอนล่างก็จะมีที่โรงพยาบาลหัดใหญ่และโรงพยาบาลศูนตรังก็จะเป็นแห่งที่สองส่วนโรงพยาบาลยะลาก็จะเป็นพื้นที่ดูแลใน พื้นที่จังหวัดสาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแต่ละเขตแต่ละโรงพยาบาลจะต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือทุกอย่างจะต้องไปด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้หรือผู้ป่วยนอกจากนั้นประลัดกระทรวงสาธารณาสุขยังได้กล่าวถึงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2558ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุในอัตราสูงกว่าปกติว่าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขก็ได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานศูนย์จังหวัดมีป้องกันและบรรเทาสาธารณา จังหวัดเป็นเลขานุการสาธารณาสุขโรงพยาบาลประจำจังหวัดเป็นกันม ก, การอยู่แล้วซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรอุปกรณ์รถฉุกเฉินเลือดกรุปต่างๆทุกอย่างจะต้องมีความพร้อมเต็มที่ในช่วงเจ็ดวันอันตรายที่จะมาถึงนี้ สุดท้ายปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวถึงปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณในสอปสอชที่กำลังมีปัญหาในโรงพยาบาลต่างๆในส่วนภูมิภาคว่าไม่ว่าจะมีปัญหาด้านงบประมาณที่จะจัดสรรให้แก่สอปสอชแต่ในส่วนของ กระทรวงสาธารณาสุขคงยังต้องให้บริการประชาชนอย่างปกติจะต้องไม่คิดว่าเงินจะมาอย่างไรแต่ที่มีการสะท้อนปัญหาเพราะขณะนี้มีโรงพยาบาลที่บริหารเพื่อบริการประชาชนแล้วขาดทุนทั่วประเทศขณะนี้จำนวนหนึ่งร้อยห้าแหง่งจึงคิดว่าในการจัดสรร ง, งบประมาณที่ผ่านมา หากมีการปรับวิธีการน่าจะเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลเหล่านี้มากกว่าและอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการบริหารและจัดการของแต่ละโรงพยาบาลซึ่งตนเห็นว่าคงจะเป็นอำนาจการตัดสินใจของบอดสอปสชซึ่งจากนี้ไปเห็นว่าประชาชนควรจับตาดู แต่ขอยืนยันว่าแม้ว่าการบริหารจัดการโรงพยาบาลจะขาดทุนอย่างไรแต่การบริการประชาชนทางโรงพยาบาลก็จะต้องให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการเป็นปกติทุกอย่างตนขอยืนยันได้เลยในส่วนของจังหวัดตรังพบว่ามีโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขมีปัญหาเรื่องงบประมาณบริหารโรงพยาบาลจํานวนสี่แห่งซึ่งมากที่สุดของภาคใต้คือโรงพยาบาลย่านตาขาวโรงพยาบาลสิเกาโรงพยาบาลรัษดาและโรงพยาบาลนายโงส่วนหนึ่งมาจากการที่รับผู้ป่วยนอกเขต หรือการส่งต่ อ, อยังโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายหลังจากมีการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชน